กดมอนหนึ่งเอาอ้าอยู่ใช้ได้แล้วกดมอนหนึ่งเจ้าแล้วตีสามยามสามเกาว่ากันว่าจะใจสติมันรู้ อาสา ว, วกขยายนใช่ไหมยามสามของพวกเราเป็นไงบ้างไงยามหนึ่งเป็นไงบ้างยามหนึ่งพ <c oughs> <c oughs> ายลมบ่อย <c oughs> อันนัสังเกตลมมันเคลื่อนหน้าดูเลยถาดแล้วก็มันมีร่องรอยเก่าๆ เ, เยอะแถวเนี้ยนิมิตทิมเคย ทำรอยแล้วเอาไว้แถวนี้มันก็มานะหลองที่เดินไปมีร่องรอยอาจารย์ไปสารในตอนปรญหาแรกบังคับอาจารย์ไปสารนะเดินจงกรมอาจารย์จําได้ไหมครับ mm hmm. ให้อาจารย์มาเดินจงกรมวันละหนึ่งชั่วโมงมีรอยแบบนี้แะฮะมีรอยอาจารย์ไปสารมีรอยท่านเหน่งสึกไปแล้วโอ้ตอนนั้นมัน มันแรงขอมันแรงปฏิบัติช่วงนั้นวันสาร์แรกไปปฏิบัติอยู่ข้างในหลวงพ่อสั่งว่าคุณสศงสศิลอาจารย์สงศิลไปข้างในไปวัดป่าสุโโตอะสามวันแล้วก็ให้รู้สึกตั ว, ว่าไงย้ยนั่นเสร็จแล้วในความคิดตอนนั้นมันก็อ้างว่าทำอะไรก็เป็นการปฏบัธรมั้งนั้นแหละ มันก็คิดถึงภรรยาคิดถึงแล้วก็มันก็บอกว่าป่านนี้มีชู้แ ล, ะละ้วล่ะในความคิดอ่นนะอย่างนี้ต้องแกะลอยกันหน่อยมันก็เดินในกันเนี้ยก็มาถงก็มาถานแมวแลว้เดินไปทํารถไฟโดยใช้กำอ้างว่าเดินไปโทรศัพท์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะคราวนี้มันก็เดินไปก็ปกติดีแล้วก็พอโทรศัพท์มันก็มีประโยคนึงะในป่วนลิงนะ น, น, งนะ ซึ่งมันทำให้เราเนะว่าขึ้นมาจากข้างในเป็นความโกรธแต่ว่ามันว่าขึ้นมาพุ่งขึ้นมาจากแถวท้องนะแล้วตัวมันก็ฟูเดินออกมาก็มีความโมโหโถสซอยู่นะเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติต่ออารมณ์หลาแนมนก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาความคิดก็อยากจะ ท, ine, ทําร้ายทําลายนีตัวนี้เราเอ้า เราโกนหัวกวนคิ้วนงมพระเหลืองแต่ะใจยังไม่เป็นพระเลยใจยังคิดอะไรกันไปเลยล ต, ตอนนั้ น, นะพอเราสังเกตไอ้ข้างในเนี่ยพอรู้สึกตัวดับทันทีแต่ตัวนอกอ่ะตัวกายของเราค่อยๆสัญญาณชี้ไปนะค่อยๆกลับคืนมาสู่ความเป็นปกติเรามีศีนั่นนะกายมีศีอมันมีอย่างนี้ด้วยพอรู้แล้วรู้อีกไปแล้วนะ ก็มีรอยแบบนี้โผลกันมาวันเนี้จนเห็นคุณเห็นค่ามาสร้างทางเดินจงกรมแถวๆนะ้เยอะเลย <c oughs> แล้วก็ทบทวนว่าปกติอยู่หลวงพ่อเขียนมานะเราไม่เคยในสัชิกแบบนี้นะข้ามคืนกันถึงทีสามเท่าที่ท่านเราสังขารไปก็มีสองครั้งละครั้งแรกก็ที่ภูเขาทองก็ได้เดินกจานจันพิสารทั้งคืน เรามาวันนี้อีกวันหนึ่งที่เป็นลอยก็อยู่กันจนถึงทีสามแล้วตอนนี้ตั้งแต่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็เดินอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อแล้วก็มาฟังธรรมเทศทารพอเที่ยงคืนเป็นต้นมาก็นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังมันก็มีอาการต่างๆนะที่แสดงออกมาเป็นธรรมชาติธรรมะธรรมชาติ ร่างกายของเราก็มีธรรมชาติของมันน่ะ น, นะแเดี๋ยวปวดปัสสาวะเดี๋ยวคอแ ห, งแ ห, งห้งปากแห้งลิ้นปากแห้งเดี๋ยวก็มีอาการลมพัดมาสถานมีต้งการรับรู้ส่วนจิตก็มีลักษณะาการบางทีก็ไประลึกอดีตลองรอยต่างๆเทว ๆ, ทๆนี้ละแล้วก็มีอีกรอยหนึ่งก็คือตรงแนีเดิมเป็นห้องนอน แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นมุมปานะอยู่อยู่มาวันนึงนอนอยู่ตรงเนี้ยปรากฏว่ามีบุญหลายเข้ามาลักหลับบุญหลายอ่ะก็เดินขึ้นมาเออเราก็รู้ว่ามีคนเดินนะนะแล้วก็รู้ว่าเปิดประตูเข้ามาแล้วตรงนี้มันชอหนึ่งเนาะตรงเนี้ยเสร็จ แ, แล้วมันมีการป้องกันตัวมันเองด้วยสตินะมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ จับแขนแล้วจับโดนน้ปราก็บุญหลายแก้ผ้าหมดแล้วอะตกใจไหมเหนมันก็นิ่งๆ น, นะก็เออบุญหลายเป็นเวลานอนแล้วไปกลับไปแล้วกระส่งก็ไปแล้วก็มีมผ้าห่มคลุมตัวอยู่เผินนึ่มันก็เป็นรอยนะที่มันคอยสอบอารมณ์เราตลอดมันนะทุกๆอย่าง อารมณ์ที่มันดีก็มีอารมณ์ที่มันร้ายก็มีอารมณ์ที่มันดีแน่ดีก็มีอารมณ์ที่มันร้ายแน่ดีก็มีหรือว่าห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงโน้นมันจะเกิดขึ้นไวเพราะฉะนั้นคิดว่าเหมือนเหมือนกันทุกคนทุกท่านนะเวลาปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานนะอาการง่วงไปเจอแน่นอนนะี้วันเราทำนะยังดูจิตไม่ได้อะยังดูความคิดไม่ได้มันยังคุมเคือง ยังมีอาการที่ไม่รู้ชัดเจนแล้อว่าความง่วงขวางไม่กระทั่งรู้สึกง่ายๆที่กายมันก็ยังขวางเลยรไม่ชัดนะเข้าไปถึงมันติดกระเด็นกระดอนอยู่กับตัว ง, วง่วงก่อน<ๆ>งงก็ต้องแก้อรมก่อนเห็นหลายคนพยายามแก้อยู่ตัวเองก็อมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะความง่วงเนี่ยเพราะว่ายิ่งระยะหลังนั่งคืนเป็นเวลาเดินทางเลย ป่านนี้ก็กำลังตลอดตลอดจะถึงระยองว่าตลอนตลอนมาจะถึงใจโยมเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่ได้หลับแล้วก็ตื่นตั้งแต่นั่งรถก็จะไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันมีความรู้สึกอย่างนึงก็คือว่ากลัวตายรถคว่ำแล้วก็ไม่มีสติอย่างนี้ยมันกลัวตรงนั้นนะใจคําภาษาจำนวนนะว่ากลัวก็ตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยสังเกตคนขับรถที่นั่ขับให้ด้วยกันว่าหลับในไหมเซม่ีม้ย ให้ได้ปลอดภัยทั้งคู่ทั้งทรัพย์สินทั้งรอดายทั้งของตัวเราเองเราผู้อื่นอย่างนี้พันธุ์นี้ในสติ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของพวกเราทุกคนนที่เราได้สั่งสมอบรมหรืว่ามีประสบการณ์ตรงมาบางคนก็ปิบัติธรรมนานก็ได้เห็นเป็นไงบ้างทุกของร่างกายเราเหมือนกันทุกคนเลยนั่งก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยแล้วก็ทีมกันก็คือ ตัวยบดเห็นไหมเราได้ใช้ไหมมันก็บางทีก็ไม่ได้ใช้ก็ได้ก็นั่งมันอยู่แล้วนะปวดก็รู้ว่าปวดเนก็รู้อยู่ก็แช่กันอยู่ถ้าสติมันพอดีพอดีกันก็อยู่ด้วยกันได้นั่นแหละปวดแต่ก็รู้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็ซาซาเย็นเย็นหายไปศีลก็ปกติยิ้มยิ้มมันอยู่แล้วอย่างนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น การทำซ้ำ嘛นะซ้าแล้วซ้าอีกรองรอยเดิมๆเก่าๆนั่งเดินยืนนอนยืนนานก็ไม่สะดวกนั่งนานก็ไม่สะดวกนอนนานก็ไม่สะดวกแล้วก็อีบทไหามไหนก็ตามความทุกข์ก็แสดงเป็นสัญญาณชีพสัญญาณภัยอย่างนี้นสะสภาวะของจิตที่มันมีสติอยู่รู้อยู่เนี่ยตัวความคิดนี่ว่าไปแวแ บ, บแวบป๊บแว บ, บแวบบ มันเป็นอาการมีอุปมาข้างหนึ่งพ่อท่านก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกันสตินี่มันเด่นนะถ้าเปรียบเหมือนสามนิ้วนยะสติจะอยู่ตรงกลางแล้วก็เด่นมากเลยอย่านี้นไอ้รูปกับนามเนะี่ยมันจะอยู่สองข้างซ้ายขวากันแล้วไอ้ตัวหลงก็กระเด่นด้วยนะตัวหลงน่ยเด่นมากตำแหน่งเดียวกับตัวรู้นั่นแหละ มันพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอยู่นะไอ้เยาวติมพลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาพลิกคว่ำพลิกหงายตัวนั้นถ้ารู้สึกได้ก็คือสติมันจะรู้สติมันเป็นสติรู้สติแต่ถ้ามันไปรู้ทันความคิดมันเห็นความคิดซ้อนความคิดอย่างเช่นว่าแตเดี๋ยวก็เช้าแล้วยเนี่ยปฏิบัติเพื่อหลวงพ่อนะเนี่เป็นความคิดไปซ้อนความคิดนะ เป็นตัวซ้อนเป็นความคิดทั้งคู่เลยแต่จะเป็นตัวสติเด่นๆก็เห็นนะเออมันก็มีพลังก้อนอยู่อาจจะมีตัวปิติหล่อเลี้ยงเรือ่อผิดตัวประสิทธิหล่อเลี้ยงเรื่องมีตัวความสุขหล่อเลี้ยงหมดนั้นมันจะมีก้อนอยู่มีคราวครั้งหนึ่งเคยถามหลวงพ่ออยู่ประโยคหนึ่งแล้วเป็นคําถามเดียวและวคำถามสุดท้ายด้วยนะ ระหว่างที่ปฏิบัติมันจะมีอาการหนึ่งก็คือระหว่างลมหายใจขึ้นไปแล้วก็เส้นกลางก็หม่อ ม, มนะตัดลงมาจนไม่ได้เป็นแกนเอแกนวมันมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งเออหายใจไปสุดแล้วมันตรงนั้นหลำพอดีพอดีเลยมันสบายมันโล่งมีการสุขอยู่ตรงนั้นนะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับนะไอความรู้สึกประมาณนี้มัคืออะไรนะลมหายใจเข้าไปแล้วก็ กางกรหม่อมลงมาแล้วตรงนั้นตำแหน่งมันสบายสบายหลวงพ่อท่านตอบว่าปัจสติท่านว่าไงนะปัสสติดูอยู่ว่าอยู่กับมันถามด้วยนะว่าดูอยู่แล้วอยู่กับมันก็บอกท่านว่าดูอยู่ครับแต่ว่าอาการอย่างนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการที่ชื่อว่าอะไรในภาษาธรรมเอาอาการไปถามท่านครั้งเดียวครัสุดท้ายแล้วท่านก็บอกว่า ให้กลับมารู้สึกตัวไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวในตัวกายที่มันเป็นความรู้สึกสภาวะผู้ดูที่มันเกิดขึ้นมาจากการดูกายนะมันก็จะดูอาการที่มันละเอียดลงไปละเอียดลงไปแต่ให้มันเป็นละนะของการปฏิบัติแล้วก็เวลามันมีปิยามีสภาพทำสภ า, าวะทำอะไรปรากฏขึ้นมานะก็อย่าไปหารายละเอียดตั้งใจว่าอย่าไปใส่ชื่อให้มันตองนอะนี้ เราก็ใช้คําชี้นําแล้วก็คําแนะนําหรือว่าที่ท่านพยายามแสดงโดยการพูดเราก็พยายามกลับมาสังเกตใหม่อย่างนี้นนะท่านก็จะพูดสั้นๆเช่นบางทีนะท่านอยู่กุฏิกุฏิตรงนี้นะมีข้างๆนมีกุฏิของท่านอยู่ท่านก็เดินมาเทะตรงเนี้ในขณะที่เรายัางธรรมวจิตรมนฑิท่าหอไตกันเสร็จแล้ว บางทีท่านเดินมาจากธรรมะไะเดินขึ้นมาเดินเดินเดเดินเดเดินขึ้นมาตัวธรรมาก็ชอบเดินเดินจุกโกมอยู่ตรงนี้ยตรงไม้กระดานแผ่นเนี้ยมันมีไม้กระดานอยู่แผ่นผมเราธรรมาชอบเดินอยู่ตรงนี้ท่านเดินมาแล้วท่านก็จะถามว่าดูอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปละสิ่งให้เราได้สังเกตตัวเองเราก็ดูอยู่นี้ก็เห็นว่าท่านเดินมาเราก็ยังเฉยเฉยอยู่ปกตินี่ท่านเดินมาเราจะใจฟูใช่ไหม เวลาครูบาอาจารย์เดินมาง่วงๆอยู่หายง่วงฟุบเลยเงี้ยแต่นี่ก็ธรรมดาๆเห็นท่านเดินมาก็เห็นแล้วก็เนาะก็เห็นแล้วเนี่ยก็ดูอยู่นะก็ดูอยู่นะนันก็จึงมีความรู้สึกว่ามีโอกาสได้มาบวชแล้วก็มาอยู่กับหลวงพ่ออมเขียนก็ตั้งใจอย่างก็คือท่านพูดอะไรก็จะฟังนะฟังแล้วอย่าเนาะมาทำถ้าเป็นเรื่องการไปบัตินะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ทํำดื้อกับท่านก็คือเจ้าสินเนี่ย จะสร้างบ้านพักคนจลาที่ภูเขาทองอ่ะก็จะเฉยๆเลยกลัวท่านมาสอบอารมณ์เรากลัวว่าเวลาพอท่านชี้ทํางานแล้วเราก็ไปทํางานนะเราก็เลยลืมเรื่องกรรมฐานอย่างเนี้ยลืมเรื่องการความ ร, รู้สึกตัวไปอะไรไปเนี้ยตรงนี้ก็จะเฉยๆก่อนพอท่านบอกอันหนึ่งสองสามสักสามครั้งอาจจะเริ่มแล้วเริ่มขยับแล้วอย่างเงี้ย โอ้นี่ท่านต้องการจริงๆนั้นเนี่ยสามครั้งแล้วนะะไปไปอย่างนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปกับท่านเนคราวครั้งหนึ่งไปทางจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ให้เทศถึงสภาวธรรมแล้วไปกระสังท่านก็ให้เทศสมาวธรรมและท่านก็ได้พูดว่าเออ สาธุได้พระเพิ่มขึ้นมาอีกรูปหนึ่งเป็นแค่ก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมั่นใจอ่ะนะว่าเออท่านมีการรับรองอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาไปกับท่านนะรู้สึกว่าเออได้ทํางานนะเวลาท่านเทศนะแล้วได้พาปฏิบัติเนะี่ยรู้สึกว่าเออมันมีคุณมีค่าขึ้นมาอย่างเ น, นะเพราะฉะนั้นอารมณ์ปฏิบัตินะ่ะมันจะมีอารมณ์ที่น่ากลัวแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวหรอกเขาเรียกว่าอารมณ์ วิปัสนโนและจินตยาและวิปัสหลกักสามอารมนั้นวิ่งคู่ไปแล้วก็วิปัสนาแล้วก็ทุกคนต้องผ่านด้วยในลมปฏิบัตินะจนกว่ามันจะคล้ายๆกับเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เงียบๆนะในความคิดสมมติฐานการคิดนะี่มันจะเงียบๆไปเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับมันในการปรุงแต่งรวมด้วยเชยกันนะันจะเงียบๆไปไอ้ที่มันเคยคิดมากๆเนะี่ยมันจะ ค่อยๆปัญหาเยอะๆที่มันเคยมีทําให้เราทุกข์อ่ะนะก่อนบวชบ้างขนะดบวชบ้างก็อนนงกอจอปัญหาใหม่บ้างเนีพอเราออกมาอยู่ความรู้สึกตัวมันกลายเป็นไม่มีปัญหาอย่างไงีนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่รู้สึกสนุกแล้วก็รื่นเริงเวลาอยู่ปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงเรารู้สึกตื่นตัวดีมากเลยอย่างนั้นนะาการนี้ระยะหลังไม่ได้อยู่กับท่าน ตั้งแต่ท่านป่วยปีสีนะ่เก้าสิเนาะหลังจากนั้นมนมงานมันเยอะจริงๆแล้วก็เลยแยกกันท่านป่วยท่านก็ดูแลตัวเองไปแล้วกันคูบาอาจารย์ไอ้ผมไม่มีความรู้สึกมีความสามารถดีเท่าเหลือท่านได้เลยอะไรหมอพยาบาลที่ดูแลลูกศิษย์ลูกหานะี่ก็มีความรู้อันนี้ก็ดูแลกันะก็จะออกไปตามงานต่างๆที่มีกิจนิมนต์นะนะก็ทําตัวไม่ค่อยโถกเหมือนกันเวลาจะไปเยี่ยมท่านไปเยี่ยมก็มันเข้ายาก ที่คุณหมูก็ห้ามมัง่งคนนั้นคนนี้ก็ห้ามมังแล้วก็กลับก็บกลับดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็อ่านคล้ายๆกับทำสู่รทำจิตสู่จิตท่ารู้สู่รท่ารู้ว่าท่านมีกรรมฐานท่านมีวิชาความรู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านแสดงออกถึงวัฒนธรรมชั้นสูงแล้วแลวเราก็เขารบเขารบเขารบเขารบจริงๆการแสดงออกก็มันคล้ายๆกับคำว่า มันถึงใจนะแล้วก็สดุดในใจของเราที่ท่านแสดงถึงความนิ่งแล้วก็ความเฉยแล้วก็อาจหาล่าเลิงในธรรมแต่ลักษณะที่เราได้สัมผัสเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆมันไม่ใช่คำพูดแต่ท่านแสดงว่ามันมีจริงๆนะเราก็อมมันไม่ใช่คำพูดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสตรงๆลงไปเลยแต่ก็้านในคราวครั้งนี้ก็รู้สึกว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นคุณเป็นค่าจริงๆคำว่าเป็นคุณเป็นค่าคือการปฏิบัติธรรมเราเคยได้ยินว่าหลวงพ่อครูบาอจารย์ในแนวปฏิบัติเช่นสายพุทโธสายาสัมมาลหังสายยุบหนอพองหนออะไรก็ตามหรือว่าอนาปานติเวลาครูบาอาจารย์ท่านละสังขารไปน้อยจะเป็น วันพระราชทานเพลิงศพหรือว่าไม่ได้พระราชทานเพลิงศพมันเผ่านะบัรชาบรรกิจเน่ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติทั้งคืนของเราก็ได้ทํากันบางทีเนะี่ยเขาว่ากันว่ากระดูกเป็นพระาธาตุระเบิดตั้งออกมาตามสื่อนะวันนั้นอันมาพยายามเดินดูซิว่ากระดูกหลวงพ่อจะล่วงไปตรงไหนมั้งเป็นพระาธาตุ่ะนะไปมุดดูใต้ใต้อนี่ก็มี ใต้เมนนะ่ะ เ, เป็นพระธาตุหรื อ, อยังเนี่ยวันที่เก็บกระดูกเนะี่ยผมเราจะมาก็มีความรู้สึกวจะหาพระธาตุสักอันหนึ่งนะที่มันแววๆเหมือนแก้วเหมือนแห ว, วนเพชรอะไรเงี้ย น, นะที่เขาว่ากันว่านะก็ไม่เห็นมีนะก็มีกระดูกธรรมดาแล้วก็ไฟไม้ธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าคติของชาวเหนือบอกว่าถ้าใครเก็บได้เขี้ยวของคูบาอาจารย์นะคนนั้นจะได้บรรลุธรรมแล้วก็สามารถสืบทอดได้ วันนั้นน่ะผมเลื่อนมาเก็บได้แนละ้วเที่ยววันนั้นน่ะแล้วก็นึกถึงธรรมเนี่ยเอามาดูสักพักนึงนึกถึงว่าเออเก็บได้เจะได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้สืบทอดก็เลยมีความสึกว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมเลยปลาเคืนเวให้ลูกศิษย์ทั้ทุกคนนะ่ะได้บรรลุธรรมแล้วก็มีส่วนร่วมในการสืบทอดศาสนากันดีกว่าในคําสอนของหลวงปู่เทียนหรือในหลวงพ่อมาเขียนด้วยว่า แนวขององค์สมเด็จสะมมาจ้าวอะไรก็ตามก็พูดเท่าที่รู้อะไรประเภทนี้นะเท่าที่มันทําแล้วมันเป็นขึ้นมาจริงๆไม่ทุกจริงๆอะไรเงี้ยเรียกว่าจะทำความจริงแสดงออกมาเราก็จึงได้ยินได้ฟังนตั้งแต่ทุ่มเป็นต้นมาเอเป็นการแสดงทำกันมันก็เป็นคําพูดนะเป็นสมมติบัญญัติเป็นสมมุติจักจะระว่มันพูดจากสภาวะที่มันมีอยู่จริงๆอย่างเงี้ย มันก็จึงเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นบุญหนะูแล้วก็เป็นบุญสูงสุดที่เราได้มาร่วมกันปฏิบัตินะเพราะว่าบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วกันเหนืกุศลไปเลยเนืบุญระบาปนืเหตุนืผลเหนืออะไรทั้งนั้นนะทีนี้ตอนนี้เราก็เป็นวารที่ใครจะทําวัดแล้วแหละตอนตีสี่แล้วเราจะได้ฟังเทศจากต่างอาจ า, ารยนะ์ไพศาลอีกครั้งหนึ่ง เราก็จึงเหมือนกับว่าเวลาเนี้ยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอ่ะนะผมและตมาก็มีความรู้สึกว่าเออก็เป็นบัตรรวมกันตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งก<ม>็คงไม่ต้องใช้คําพูดอะไรกันอีกต่อไปใช่ใหมล่ะนนของสภาวะธรรมสภาพธรรมที่มีนะของแต่ละบุคคลแล้วก็ต่อยอดให้ยิ่งยิ่งกันไปแล้วก็รวมกันเป็นพลังที่ว่ารวมกันเป็นพลังก็เพราะว่า วัดวาอารามมันก็มีพุทธบริษัทสี่นะหรือที่จันทร์ใจเทศเมื่อสักครู่อ้างถึงหลวงพุฒเทยียนว่ามีพุทธบริษัทสองคือมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันโดยใช้พลังศรัทธาความเชื่อนะใช้ระนาของสติปัญญานะหรือว่ากาลังของความเพียรหรือว่ากำลังของสมาธิที่มันประชมแต่พอดี แล้วก็ประสบการณ์ตรงที่เรามีมารวมกันปฏิบัติสักนิดนะก็เป็นการเชิญชวนกันแล้วกันนะไม่ให้เป็นลนักษณะของการบางังคับหรือว่าอยู่ๆก็มัดมือชกอะไรนะแต่ว่าเป็นลนักษณะของเชิญชวนนะสักห้าทีนะเดี๋ยวเราก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์สรรพสิ่งนะทิ้งไว้ตรงนี้เป็นพลังอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นในท้ายสุดนี้นะก็ ขอใช้คำพูดที่ว่าก็ขอให้ความไปิบัดดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วก็การที่เราได้มาร่วมกันประพฤติปรมจรจันย์ทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทรรูปทุงนาำเธอ